ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องมุ่งแต่นิพพานตอนที่หนึ่งโดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยสี่สิบก้าณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาะบัตรนี้ เราลองมาฟังพระไตรปิฎกเล่มที่29อัตทันทะสุตตนิเทศข้อ825ใช้หัวข้อว่ามุ่งแต่นิพพานนะเป็นยังไงนะมุ่งแต่นิพพานจากเนี่ยหนังสือคนพานกับบัณฑิตมุ่งแต่นิพพานนพะพุทธเจ้าท่านกต็ตรัสถึงว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ให้ทานเพราะเหตุแห่งสุขอันก่อให้เกิดกิเลสแต่บัณฑิตย่อมให้ทานเพื่อความหมดสิ้นกิเลสเพื่อนิพพานอันไม่มีพบต่อไปบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เจริญฌานเพราะเหตุแห่งสุขอันก่อให้เกิดกิเลสแต่บัณฑิตย่อมเจริญฌาน เพื่อความหมดสิ้นกิเลสเพื่อนิพพานอันไม่มีพบต่อไปบัณฑิตย่อมมุ่งแต่นิพพานมีจิตเอนไปในนิพพานน้อมจิตไปในนิพพานจึงให้ทานบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้มีนิพพานเป็นเบื้องหน้าเหมือนแม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเลฉะนั้น่นาจากหัวข้อนี้เนี่ย ท่านจะตัดเอาไว้ถึงเรื่องของหนึ่งคือเรื่องของการทําทานทำบุญทําทานเนี่ยแะสองเรื่องของฌานคือการปฏิบัติฌานเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยท่านบอกว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยจะไม่ให้ฌานหรือว่าจะาจะไมไ่ให้ทานหรือว่าจะไม่ทําฌานเพียงเพื่อว่าทําไปแล้วเนี่ย เกิดความสุขแต่ว่าเป็นความสุขที่เกิดกิเลสคือบางทีเราทําทานไปเนี่ยก็มีความสุขนะแต่ถ้าเป็นความสุขที่เป็นแบบกิเลสเนี่ยบัณฑิตไม่ทำบัณฑิตเนี่ยจะทำไปเพื่อให้ได้นิพพานเท่านั้นเพราะฉะนั้นคราวนี้แตอย่างพวกเราทําบุญทาทานเนี่ยเอาใส่บาตรก็ได้เพราะพวกเราใส่บาตรเนี่ยจริงๆก็มีความสุขใช่ไหมสาหรับคนที่ คิดในทางที่ดีอะไรพวกเนี้นะทำบุญทำทานหรือแม้แต่คิดแบบโรคโลกก็ตามว่าทำบุญไปแล้วอะไรนะ เ, ออเดี๋ยวจะรวยหรือว่าเดี๋ยวจะได้ลาบยศเสริญ ส, สุขอะไรพวกเนี้ก็มีความสุขเพราะว่าคิดแล้วทำแล้วเดี๋ยวก็จะต้องได้ <c oughs> ก็มีความเชื่ออย่างนั้นเมื่อทำไปเนี่ยก็มีความสุขจริงๆแต่สุขแบบเนี้ยังเป็นสุดสุขที่ โลกี้ยังเป็นสุขที่มีกิเลสอย่างเงี้ยบัณฑิตไม่ทำถ้าทำบุญทำทานแบบนี้บัณฑิตจริงๆนะบัณฑิตที่มีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วไม่ทำเพราะฉะนั้นคราวใดเนี่ยที่เราทำบุญทำทานแล้วเรายังไม่คิดถึงเนี่ยลาบยศสรรเสริญสุขที่เป็นแบบโลกโลกให้รู้เลยว่าอันนั้นน่ะเราไม่ใช่บัณฑิต เพราะบัณฑิตจะไม่ทำอย่างนั้นแม้จะเป็นความสุขจริงก็ตามก็ไม่ทำเพราะเป็นสุขที่ยังเป็นกิเลสอยู่ถ้าสุขที่เป็นกิเลสหมายความว่าไงหมายความว่าทำไปแล้วเนี่ยได้บุญได้กุศลไหมได้แต่ได้แบบโลกีสุขเป็นสุขแบบโลกีเพราะถ้าได้สุขแบบโลกีผลที่ตามมาก็จะทำให้ ต้องเกี่ยวพันต้องผูกพันจะต้องเกาะเกี่ยวอยู่กับโลกีต่อไปเพราะมันเป็นสุขแบบโลกีอ่ะยิ่งจิตที่เราตั้งเอาไว้เราก็ปรารถนาใช่ไหมยิ่งๆเราปรารถนาด้วยพอใจอยากจะได้เมื่อเป็นความสุขแบบโลกีเนี่ยจิตมันก็จะตั้งไว้แบบโลกีเพราะฉะนั้น อ, อันนี้ตั้งไว้ผิดแล้วก็จะได้จริงๆ จ, จ, จะได้แบบโลกีนั่นแหละจะได้สุขแบบโลกีจริงๆ เพระ้บัณฑิตแท้เนี่ยบัณฑิตที่ถูกต้องแล้วไม่เอาถ้าจะตั้งจิตแบบนี้ไม่เอาเลยตอนี้ท่านก็นไม่ได้พูดแค่ทานท่านพูดไปถึงฌานด้วยฌานนี่คืออะไรวิญญาจิตเป็นความสมงบอัปานีดคําว่าปานีดเนี่ยจริงๆก็หมายถึงว่าเป็นความสุขเป็นความสมงบที่ปราศจากกิเลส ชาจริงๆต้องเป็นอย่างนี้นะชาเนี่ยเป็นความสุขเป็นความสงบที่ปราศจากกิเลสอันเนี้ถึงจะเป็นชาอย่างของพุทธแต่ถ้าเป็นชา ล, ลือศีชา ล, ลือศีเนี่ยสุขสงบแบบแบบยังเป็นโลกียสุขอยู่ยังไม่ได้เป็นแบบโลกุตระถ้าถ้าเป็นชา ล, ลือศีนั้นชา ล, ลือศีเนี่ยที่ไปทาสมถะเนี่ยแหละ ท, ทาสมถารับตาปีหรือไม่ก็ ไม่ปรุงไม่ต้องคิดอะไรแล้วแสนจะสบายก็เป็นสุขจริงๆแต่เนี่ยเป็นสุขแบบฤาษีเป็นสุขแบบแบบยังมีกิเลสอยู่กิเลสยังไม่หมดนะสุขแบบนี้ยังมีกิเลสแต่ไอตอนที่สุขสบายไม่ปรุงไม่คิดอะไรเนี่ยพูดง่ายว่ามันลืมกิเลสไปเลยอะแต่กิเลสยังมีอยู่ไหมกิเลสยังมีอยู่มันไม่ได้กาจัดไม่ได้ทาให้หมดไปนี่วันชายแบบฤาษี จึงยังถือว่าเป็นฌานที่ยังอยู่ในโลกีเพราะกิเลสไม่ได้หมดกิเลสยังอยู่กับลือศีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่พระเจ้าถึงไม่ได้ให้ลือศีเป็นอริยบุคคลอะไรเลยแม้แต่เป็นพระโสดาบันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็เพราะว่ายังมีกิเลสอยู่ไงไม่ได้ลดละกิเลสเนี่เพียงแต่ระ ง, งับกิเลสไปชั่วคราวระ ง, งับชั่วคราวเท่านั้นนะ ไม่ได้ล้างกิเลสออกไปวันแม้อย่างเนี้ยคนที่เป็นบัณฑิตจริงคนที่ที่รู้สัจจะนะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เจริญฌานเพราะเหตุแห่งความสุขอันก่อให้เกิดกิเลสอ่ายิ่งยิ่งสุขที่ที่แบบของฤาษีเนี่ยสบายมันเป็นกิเลสที่เราเรียกว่าอะไร คือฤาษีเนี่ยนะไอ้ A A, รูปโลกกิ่นเสียงภายนอกเนี่ยที่เป็นกามทั่วไปอะ่ะไม่เอาละเราเรียกว่าเป็นกามมาตัญหาหรือกามมาพบฤาษีตัดออกฤาษีไม่เอาแต่ฤาษีมาเนี่ยมาทำสมาธาเสร็จแล้วก็สบายแล้วภายนอกไม่เอาเลยใช่ไหมแต่ภายในจิตเนี่ยยังมาเติดความสุขความสบายเราเรียกว่าอะไรภาวะพบ หรือภาวะตันหาเพราะฤาษีเนี่ยยังมาติดกิเลสตรงนี้อยู่กิเลสแบบภาวะพบหรือภวะตันหาเพราะคำว่าภาวะตันหาเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็อยากอย่างนี้อีกอยากสงบแบบนี้อีกอยากสบายอย่างนี้อีกก็เพราะอยากสงบอยากสบายอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นพบเป็นชาติที่จะต้องเกิดอย่างนี้ขึ้นมาอีกนั่นแหละเพราะอันนี้ นะผู้เจ้าเลยเลยตรัสว่าถ้าเป็นบัณฑิตแท้เนี่ยจะไม่เจริญฌานคือไม่มาทําความสงบจากกิเลสแบบที่สแสวงห า, หาความสุขที่ยังเกิดกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นผูดง่ายนะคุณถ้าเข้ากระแสพุทธแล้วคุณต้องทําฌานพุทธเท่านั้นคุณจะไม่ไปทําฌานลือศีถ้าเป็นบัณฑิตเห็นไหมถ้าเป็นบัณฑิตแท้จะทําแต่ฌานพุทธจะไม่ทําฌานลือศี เพราะฌานลึียังมีกิเลสอยู่เห็นไหมเนี่ยแต่บัณฑิตย่ำเจริญฌานเพื่อความหมดสิ้นกิเลสเห็นไหมต้องเป็นฌานพุทธแน่นอนเพราะเพื่อความหมดสิ้นกิเลสเพื่อนิพพานอันไม่มีพบอีกต่อไปเพราะถ้าขืนไปเจริญฌานลึีมันก็มีพบมีชาติมีอะไรต่อไปเรื่อยเพราะาจะต้องมาเจริญฌานแบบของพุทธนะที่แบบว่าจะทาให้กิเลสหมดไปแล้วก็ เนี่ยพื่อนิพพานนิพพานก็แปลว่ากิเลสสิ้นเกลี้ยงนั่นเองคําว่านิพพานเนี่ยเพราะว่านิพพานเนี่ยจะทําให้มันไม่เกิดภพเกิดชาติต่อๆไปบัณฑิตย่ำมุ่งแต่นิพพานมีจิตเอนไปในนิพพานน้อมจิตไปในนิพพานจึงให้ทานนะมีอะไรบ้างมุ่งสู่นิพพานเอนไปในนิพพานน้อมไปในนิพพานใช้สามคำ มุ่งมุ่งไปใช่ไหมมุ่งไปในนิพพานก็โอ้ต้องอะไรต้องตั้งจิตตั้งใจต้องบากบัน่นอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะมุ่งไป ม, มีมีเส้นทางมีทิศทางมีแนวทางที่จะมุ่งไปเอ็นไปนี่ก็ยังไงบางทีมุ่งไปมุ่งมาชักชักเป๋เป๋ชักชักชัก ช, ก ช, ก ช, กชกมันมันต้องมีอะอุปสรรคมีปัญหามีกิเลสเก่ากิเลสใหม่เข้ามาเล่นงาน เพราะบางทีจะเป๋ไปข้างไหนนี่ก็ให้เป๋ไปข้างนิพพานให้เอมไปข้างนิพพานนะเพราะบางทีเนี่ยมันมันเกิดสองจิตสองใจใช่ไหมเออจเจ้าขนมปังดีหรือจะเอาเข้าวกล้องดีเอาอะไรสิเขาเนี้ยมันมันจะต้องให้เลือกเกิดขึ้นเพราะจะให้เลือกเกิดขึ้นใช่ไหมอ่าอ่าอ่เวลาจะตัดสินใจนี่อ่าต้องเอียงไปข้างนิพพานนะ ใหญเอียงไปข้างที่ที่เราชอบใช่ไหมข้างที่ตามใจเราเนั่ยแหละมันจะเกิดสภาวะอย่างเนี้ยขึ้นมาให้เราจะต้องจะต้องพิจารณาแล้วก็จะต้องตัดสินเสร็จแล้วเอนไปแล้วก็ไงน้อมไปเอนไปสู่นิพพานเหละากีนนี้แหละน้อมจิตไปคราวนี้น้อมไปเนี่ยก็คืออะไรต้องให้ความเคารพต้องให้อะไรอ่ะต้องบูชาต้องทำ บวงสวงจิตน้อมไปเนี่ยนะคือคือไม่ใช่แค่ว่าแม้ให้มุ่งไปให้เอองไปแบบแบบงันจะต้องน้อมไปเลยทีตั้งจิตตั้งใจอย่างชนิดที่เรียกว่าอะไรอ่ะด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาอย่างเงี้ยศรัทธาแปลว่าเชื่อมั่นอย่างเงี้ยน้อมไปแบบชนิดโอ้ต้องเชื่อมั่นมันถึงจะมีพลังเนี่ย น้อมไปเนี่ยเพราะนั้นพอเวลาโดนอะไรบางทีโดนติโดนดา่าโดนว่าโดน อ, อ, อุปส ร, รรคอะไรที่มันมาขวางกัน้นเงี้ยเนี่ยจิตเรก็ต้องน้มไปให้ได้เพราะพอเราเจออุปส ร, รรคเจอปัญหาอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดมานะอัตตาเกิดอะไรขึ้นมาก็จะถอยละจะหนีละมันไม่อยากไปละเพราะเราก็ต้องมีจิตเนี่ยโนมย้มมิจทางศรัทธา จิตมันถึงจะเออเชื่อมันนะ่นน่ะทิศนี้ทางนี้ถูกต้องแน่นะไปถึงนิพพานแน่นะ่มันถึงบอกว่าห น, น้านองน้ําตาก็จะไปอะ่ะเพรความเชื่อมั่นที่จะไปมันก็จะพยายามไปให้ได้นะอันนี้ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้มีนิพพานเป็นเบื้องหน้าเหมือนแม่นม้ําทั้งหลายไหลสู่ทะเลฉะนั้นเห็นไหมคือ มันไม่มีทางไปที่อื่นเลยถ้าชัดเจนแล้วเนี่ยไหลลงทะเลลูกเดียวไม่มีไปที่อื่นถึงบอกว่าแม่แม่น้ำทั้งหลายเนี่ยก็ไหลลงทะเลมันมัน ม, มันไม่มีทางเลือกจริงๆถ้าถ้าชัดเจนแล้วถูกทางแล้วมันมีทางเดียวจริงๆอย่างที่บอกอะเอเสวะมัคโคนณนััญโยเนี่ยมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นอะไรนะ ไม่ใช่คือไม่ว่าเราจะเจออะไรเราจะเจอดีก็ตามเจอไม่ดีก็ตามแต่มีทางเดียวก็คือก็มีแต่ทางไปดีก็คื อ, ต, อต้องไปแต่ทางดีกูจะเจอดีก็ตามเจอ ก, กลางๆก็จำก็ตามเจอไม่ดีเจอดีเจออะไรก็แล้วแต่มารูปแบบไหนก็ตามกูมีทางเดียวเทะนะ่านั้นที่จะเดินก็คือทางไปนิพพานทางเดียว ไม่รู้อะ่ะจะมีมารจะมีเทวดาจะมีมนุษย์จะมีผู้ผีปีศาจคุณจะไปเจออะไรก็แล้วแต่แต่คุณมีทางเดียวที่จะไปไม่มีทางอื่นแล้วนะอันนี้ถ้าเราชัดเจนนะถ้าเราชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็จะไปทางเดียวจริงจนะถ้ามีอีกวัสเอ่อมีในภูริปัญหาชาดกเนี่ยมีพูดถึงว่า บัณฑิตย่อมไม่ประพฤติกรรมอันเป็นบาปเพราะเหตุแห่งความสุขของตนเมื่อถูกทุกข์กระทบเข้าแล้วแม้จะพลาดพลั้งไปก็สงบอยู่ได้ไม่ละทิ้งธรรมเพราะรักหรือชังนี่ไงนี่ที่บอกว่าทางเดียวเนี่ยคือจะเจอรักจะเจอชังจะเจอเฉยจะเจออะไรก็แล้วแต่ละถ้าเป็นบัณฑิตจริงแล้วเนี่ยโอ้โห จะไม่ยอมไปทำบาปอะยังไงก็ไม่ยอมทำบาปหรือยังไงก็ไม่ไม่ไปทำให้มันผิดศีลและทำยังไงก็ไม่ไปอะไรอะไปผิดตะบะไปผิดอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยไม่เด็ดขาดก็จะพยายามเห็นไหมเนี่ยบอกว่าไม่ทำบาปกรรมเพราะเหตุแห่งความสุขของตนเท่านั้นความสุขในที่นี้เป็นความสุขแบบโลกีอย่างเงี้ยไม่อะ่ะความสุขแบบโลกโลกเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงใจเราเนี่ยให้ไป ทำบารทำกรรมเพราะนั้นถึงบอกว่าเนี่ยถึงจะถูกกระทบนะหรือบางทีเนี่ยแม้จะพลาดพังคือคื อ, ค, อคือจะไปเจออะไรเนี่ยเข้าไปหรือเราพลาดพังไปเจออะไรเข้านะเจอสุขก็ตามเจอทุกข์ก็ตามยังไงก็ไม่ทิ้งทำคือคือไม่เปลี่ยนทางเดินนั่นเองก็ยังคงเดินทางเนี่ยทางเดียวเออเอาแล้วคุณจะคลานไปหรือคุณจะ สลบอยู่ตรงนั้นคุก็สลบอยู่ในทางนี่แหละคุณไม่สลบออกไปนอกทางนะไม่มีว่าแหกโคง้งแหกโค้งออกไปนะลงไปที่อื่นเนะี่ยไม่มีว่ามันมันมีทางเดียวจริงๆซึ่งซึ่ ง, งถ้าเราเข้าใจชัดเจนเนี่ยมันจะรู้เลยนะว่าว่าต้องไปอย่างนี้เท่านั้นอะ่ะลองฟังดูมีมีคาถาธรรมมาบทอยู่คาถาหนึ่งที่พูดถึง ถึงว่านิพพานเนี่ยซึ่งเราได้ยินบ่อยแล้วว่านิพพานความสุขอย่างนิพพานเนี่ยไม่ใช่ความสุขแบบโลกโลกนะความสุขแบบนิพพานคือความสุขแบบไม่มีกิเลสแต่ความสุขแบบโลกโลกเนี่ยคือความสุขแบบยิ่งมีก็ยิ่งเกิดกิเลสมันจะต่างกันในอันเนี้ยเขาก็พูดถึงว่าไม่มีไฟใดเนี่ยที่จะเสมอด้วยราคา ไฟในโลกเนี้ยไฟที่ว่าแรงแรงทั้งหลายอ่ะจะไฟกี่หมื่นฟาเรนไฮฟจากดวงอาทิตย์ไฟจากอะไรอ่ะที่มันแรงแรงอ่ะฮะไฟอะไรบ้างไฟฟ้าหมื่นโวล์เอาไฟอะไรอีกไฟจากแล้วลูกระเบิดปรมาณูอ้าวนะแต่นั่นแหละไฟอะไรในโลกเนี้ยไม่มีไฟอะไรอ่ะ ที่จะเท่ากับไฟราคะไฟราคะร้ายกาดที่สุดรุนแรงที่สุดไฟราคะทําไมอะทาไมไฟราคะมันร้ายกว่าไฟไฟไฟของความยินดีเนี่ยนะราคะนี่แปลว่าความยินดีความพอใจเพราะอะไรนี่ไฟโลกโลกอื่นๆเนี่ย บางทีเรายินดีบ้างเราไม่ยินดีบ้างอะไรบ้างอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ทำให้เราไอ้นั่นหรอกอแต่ไฟราคานี่คือไฟของความกำนัดของความยินดีของความพอใจน ะ, ะเพราะฉะนั้นมั น, มนไอ้นั้นที่สุดแล้วมีอิทธิพลกับเราที่สุดแล้ะมันจะค่อยๆเผาก็ตาม <laughs> เผาแบบผ่อนโอนก็ตามหรือมันจะเผาแบบพึ้พับเลยก็ตามแต่ละ แต่มันไม่มีหมดสิ้นแล้วก็ไม่มีจบแล้วมันก็เกิดตลอดเวลาไปของความยินดีเนี่ยแล้วมันร้ายกาตรงตรงคุณดูสิที่คุณทุกขี่สุดเนี่ยนะคุณทุกขี่สุดเพราะอะไรเพราะบางทีมันอยากได้แล้วมันไม่ได้อะมันอยากเป็นแล้วมันไม่เป็นอ่ะมันอยากมีแล้วมันไม่มีอ่ะโอ้โหมันทุกมันทรมานมากเออมันมัน มันเจ็บปวดทรมานใจมากเลยมันไฟไฟของความยินดีเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยเนี่ยไฟอะไรเนี่ยไฟหุงต่มไฟอะไรต่ออะไรโอ้มันมันเล็กน้อยมันมันไม่เพียงพ อ, อถึงบอกว่าไม่เสมอด้วยไฟลาคะ่ะเสร็จแล้วคราวนี้แล็กี้เป็นไฟดูดนะแลวกี้เป็นไฟแบบแบบดูดอ่อคราวนี้ไฟผลักนะก็โทสะเนี่ย นะคือไม่มีไม่มีอ่าโทษโทไม่มีไฟใดเนี่ยพูดยังไงอ่ะไอ้โทสะโทสะนี่คือโทษโทษขอภัยขอภัยโทษเนี่ยโทษนี่ก็คือภัยนั่นเองโทษภัยนั่นแหละโทษเสมอด้วยโทสะเนี่ยไม่มีคืออันนี้อันนี้ภัยที่รุนแรงภัยที่รุนแรงภัยที่หยาบคายนะไม่มีอะไรหยาบคายเท่ากับโทสะ โทษเนี่ยโทษที่เซลโอทอทหารสอดฤษดีโทษภัยเนี่ยแหละโทษไม่มีโทษอะไรเนี่ยที่จะเสมอเทียบเท่ากับโทสะและ้วโทสะนี่คืความโกรธเนี่แหละความโกรธความรุนแรงความหยาบคายอะไรพวกนี้เพราะไม่มีภัยอะไรที่ร้ายกาด ร, รุนแรงเท่ากับเท่ากับไฟโทสะพูดง่ายไฟโทสะเนี่ย ร้ายกาที่สุดหรือในนี้เขาใช้คำว่าโทษโทษทางโทสะคราวนี้ก็ทุกและกตัวแรกไฟตัวที่สองไฟไฟนี่เรื่องของการดูดบอกแล้วก็ในทางราคาในทางการมพอโทษโทษภัยนี่มาในเรื่องของโทสะแต่นี้พอมาทุกคุณวันทุกอะไรที่ไม่มีอะไรจะทุกเท่าอันเนี้ ไม่มีอะไรเสมอด้วยอันนี้ไม่มีทุกใดเสมอด้วยเบญจะขันเบญจะขันคืออะไรขันห้าอันเนี้ยทุกทุ ก, ทกถ้าถ้าพูดถึงทุกนะทุกทางกายเนี่ยเบญจะขันมีอะไรบ้าง อ, ะอ่ะขันห้านี่มีอะไรบ้างะรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณรูปนี่ก็ร่างกายแหละตัวที่หนึ่งเวทนาความรู้สึกสัญญาความทรงจำอ ะ, อะไรสังขารการปรุงแต่งวิญญาณการรับรู้อะไรต่างๆนะที่เรารวบรวมเอาไว้เนี่ยเพราะนี่แหละทุกที่สุด ไม่มีอะไรทุกเท่าขันทั้งห้านี้เพราะจริงๆแล้วก็เกิดเป็นคนเนี่ยก็มีขันทั้งห้าเท่านั้นแหละเจ๊ะไหม ท, ที่เป็นตัวบงการเนี่ยวันทุกของเราเนี่ยเนี่ยไอตัวบงการมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละไอ้กายเนี่ยจริงๆเรารู้กันอยู่แล้วหละโดนมีดบาดจะเจ็บเราก็รู้แล้วอาวเวทนานี่มันก็เป็นตัวอารมณ์เป็นตัวอารมณ์โดนมีดบาดเนี่ยเจ็บใช่ไม เจ็บมันก็อารมณ์มันก็ทุกข์มันก็ทรมานอารมณ์เนี่ยมันก็ไปตามไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่นี้สัญญาเนี่ยความทรงจาโดยเฉพาะคนที่ชอบจดจาอะไรแหละเรื่องไม่ดีเ ร, เรื่องเรื่องเลวร้ายเรื่องเสียหายเรื่องที่มันทำให้เจ็บปวดแต่พูดง่าย ไ, ไม่รู้ประจําทําไมก็ไม่รู้เออ ก็พอคิดขึ้นมาแล้วก็ทุกข์แล้วก็ก้มเอแล้วก็จํามำทําไมไม่รู้เดี๋ยวก็คิดอีกละเดี๋ยวก็คิดอีกละไม่รู้ไปจําทําไมก็นั่นนาที่ก็โง่ไปสะกดจิตตัวเองทําไมอ่ะเออไปจาทําไมอ่ะก็รู้นะว่าพอคิดขึ้นมาแล้วก็ก็เออก็นึกไอ้เรื่องเนี้บางทีบางคนเอาง่ายๆบางคนอกหักอกพังเงี้ยเอาก็คิดอีกละโอ้ทําไมไม่รักฉันเลยหรืออะไรต่ออะไรคิดขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ เออก็สัญญาเนี่ยความทรงจําเนี่ยที่มันมีอยู่เอา้าเป็นนึกอีกละเป็นนึกขึ้นมาอีกละไอ้เรื่องไอ้เรื่องซ้ำซากไอ้เรื่องเก่านั่นแหละที่ก็รู้นะคิดแล้วมันก็เจ็บปวดเออก็คิดอยู่นะนะั่นแหละเอ้ยทำไมมันฉลาดน้อยอยังไงก็ไม่รู้นีเนี่ยสัญญาเสร็จแล้วสังขารไงคือบางทีมันมีสัญญานะคนเราก็ไม่ลืมกันหรอกสัญญาเนี่ยมันมันยังเป็นแค่ตัวความทรงจํา แต่ตัวที่ทำให้เราทุกข์จริงๆคือตัวสังขารคือเรารู้นะว่าเนี่ยสมมติว่าวันนี้อกหักมาโดนเ็าหักอกมาอ่ะก็รู้ว่าเออจาได้อยู่เมื่อเวลาสิบโงเช้านี้เขาบอกเลิกกับเราอะไรเงี้ยนะอ้าวจาเวลาได้อยู่แต่ตอนนี้ถ้าไม่ปรุงใช่ไหมถ้าไม่สังขารเนี่ยเออจาได้ ช่างหัวมันแล้วกันไม่ได้ไปปรุงไม่นำไปคิดมันอ้ามันก็ลืมๆืมอ่ะถ้ากูไม่ปรุงเนี่ยมันก็เหมือนลืมลืมอ่ะมันมันยังจําได้นะแต่มันลืมๆืมไอ้อย่างเงี้ยก็ไม่ทุกเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยมันส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ที่ทุกข์ก็เพราะไปปรุงมันไปคิดมันเพราะพอปรุงคิดเนี่ยถ้าปรุงคิดแบบธทำวิจัยเป็นใช่ไหมเออก็รู้จักหาเหตุผลหาอะไรที่ทําให้เออคลายจิตคลายใจออกไปไอ้นี่ไม่อ่ะ ก็ปรุงก็ยังปรุงแง่แล้วปรุงแง่ทำร้ายตัวเองเออยิ่งปรุงก็ยิ่งคิดโอ้โหวันเนี้ยนะตอนเช้ามาโอ้โหเห็นอะไรนะส้มตาตั้งกระมังใหญ่ๆนะเดี๋ยวกาว่าขึ้นสะลาจะได้กินโอ้โหพอมาถึงเวลาขึ้นสาลาโอ้โหเหลือแต่กระมังส้มตำหายไปไหนหมด จ ร, จริงอ่ะถึงมันจะเหลือแต่กระมังใช่ไหมคือจำได้อยู่แล้วอ่ะกำหนดไว้อยู่แล้วจำได้รู้แต่ถ้าไม่ปรุงใช่ไหมก็เออมันหมดแล้วก็หมดกันก็จบก็ไม่ทุกอะไรแต่ตอนนี้โอ้โหไม่คิดถึงเราบ้างเลย <c ười> แหมอยู่รวมวัดเดียวกันไม่คิดกันเลยนะแหมทิ้งกันได้ยังไงคือเนี่ยบางทีก็ปรุงเนี่ยมันก็นคิดในแง่ลบไปแง่ที่มันทาให้เรายิ่งเจ็บปวด เรายิ่งทรมานก็ไปสังขารอย่างนี้แหละเนี่ยที่ทำให้ทุกข์อย่างยิ่งก็แล้วจะไปสังขารอย่างนี้ทาไมอ่ะถ้าเราคิดเป็นใช่ไหมดูนะถ้าเราสังขารเป็นนะมันก็จะไม่ทุกข์อ่ะก็หมดก็หมดไปเออดีสิจะได้ฝึกดูจิตดูใจเราดูสิเออถ้ามันแบบว่ามันหมดซะก่อนแล้วเนี่ยเออเราจะวางใจได้ไหมเราจะทำให้มันสงบสงบนิ่งได้ไหมอะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยดูนะสังขารเนี่ยมันเป็นตัวทําให้เราพ้นทุกข์ก็ได้แต่ในที่นี้สังขารกลับเป็นทุกข์อย่างยิ่งสังขารกลับเป็นทุกข์อย่างยิ่งนี่ในที่นี้ก็บอกอะไเห็นไหมนเนี่ยสังขารเป็นทุกข์อย่างยิง่งนัหลกักีนี้มีอะไรเนี่ยมีไฟมีโทษมีทุกข์แล้วก็เนี่ยสังขารเนี่ยเป็นทุกข์อย่างยิง่งเสร็จแล้วสุข รู้ไหมสุขอะไรที่ไม่มีไม่มีอะไรเทียบเท่ากับกับตัวเนี้ยสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีมมมเพราะความสงบเนี่ยความสงบเนี่ยเป็นสุขแต่สงบในที่นี้ต้องบอกแล้วนะต้องรู้นะว่าเป็น อ๋อแล้วทีนี้พูดไปเรื่องสังขาร ย, นะยังเหลือตัววิญญาณอยู่เลยนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยนั่นแหละวิ ญ, ญญาณเนี่ยมันเป็นตัวรวมลงทั้งหมดเพราะฉะนตัววิญ ญ, ญาณเน่ะถ้าบอกแล้วถ้าเราเราสังขา ร, ญญ า, ารเป็นทุกข์มันก็ไปรวมจิตวิญญาณมันก็กลายเป็นทุกข์ไปหมดอ่มันเป็นองค์รวมวิ ญ, ญญาณเนี่ยเป็นองค์รวมเพราะฉะนั้นถ้าสังขารเป็นใช่ไหมอ่าสังขารให้มันดีซะสังขารแบบของลดกิเลส ให้เป็นสุขแบบโลกุตละซะเพราะฉะนั้นวิญญาณก็จะกลายเป็นวิญญาณที่ดีวิญญาณที่มีความสุขเป็นบรมมาสุขในทางที่ถูกต้องแต่ตอนนี้ถ้าไม่เป็นน่ยมันก็ไปทุกอย่างกันนะอ่าแล้วก็สุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขในที่นี้เนี่ยความสงบนี้ก็เหมือนชานั่นเองที่ที่ที่แล้วกี้บอกไปตอนแรกอะ ชานเนี่ยเป็นความสงบเป็นความสงบอันปานีตยิ่งก็คือความสงบจากกิเลสนั่นเองเพราะในที่นี้เนี่ยบอกว่าสุขที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบในที่นี้ก็หมายถึงว่าความสงบจากกิเลสเพราะฉะตัวนี้จะยิ่งบอกชัดเลยว่าอย่าไปเอาความสุขแบบโลกโลกนะความสุขแบบทําให้กิเลสลดลงได้อันนั้นแหละเป็นความที่ถูกที่ถูกทาง เป็นความสุขที่ที่ย่่งยิ่งละ เ, เสร็จแล้วความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งพูดๆง่ายโรคเนี่ยนะโรคอะไรเนี่ยโรคหิวที่หนึ่งเพราะขนาดป่วยเป็นโรคอะไรก็ยังยังต้องยังต้องกินเลยกูจะป่วยเป็นโรคอะไรกูก็ยังต้องกินอยู่ดีใช่ไหมอาจจะต้องกินยา ก, กินอะไรต่ออะไรใช่ไหมอย่างอื่นนะ แล้วก็บางทีนานๆก็ป่วยทีหรือว่าใช่ไหแล้วก็ค่อยค่อยกินยาแต่หิวเนี่ยทุกวันหิวเนี่ยยังไงอะหนีไม่พ้นเลยเพราะในที่นี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าเลยตัดเลยว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งคือคือโรคไหนไม่เท่าโรคความหิวว่วเพาโรคความหิวนี่ไอ้นั้นที่สุดเลยเพราะบางคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ย ที่บางทีลดละไม่ได้ฝึกกินให้เป็นมือไม่ได้เงี้ยอ่าระวังนั่นนะโรคเยอะนะนั่นนะแสดงว่าโรคเยอะอะเดี๋ยวหิวไงเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิว <c oughs> <c oughs> ก็โรคเยอะอะไสิแสดงว่าโรคเยอะโรคกิเลสมันเยอะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยฝึกจิตฝึกใจเราดีโรคกิเลสมันจะลดลง